การให้ผลของกรรมเรื่องที่หนึ่งผลกรรมในระดับต่างๆปัญหาที่ถกเถียงกันมากที่สุดเกี่ยวกับเรื่องกรรมก็คือการให้ผลของกรรมโดยสงสัยเกี่ยวกับหลักทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วว่าเป็นจริงอย่างนั้นหรือไม่ บางคนพยายามนำหลักฐานมาแสดงให้เห็นว่าในโลกแห่งความเป็นจริงคนที่ทำชั่วได้ดีและคนที่ทำดีได้ชั่วมีมากมายความจริงปัญหาเช่นนี้เกิดจากความเข้าใจสับสนระหว่างกรรมนิยามกับสมมตินิยามโดยนำเอาความเป็นไปในนิยามทั้งสองนี้มาปนเปนกันไม่รู้จักแยกขอบเขตและขั้นตอนให้ถูกต้องดังจะเห็นว่า แม้แต่ความหมายของถ้อยคำในหลักทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั่นเองคนก็เริ่มต้นเข้าใจสับสนแทนที่จะเข้าใจความหมายของทำดีได้ดีว่าเท่ากับทำความดีได้ความดีหรือทำความดีก็มีความดีหรือทำความดีก็เป็นเหตุให้ความดีเกิดมีขึ้นหรือทำความดีผลดีตามกรรมนิยามก็เกิดขึ้น กลับเข้าใจเป็นว่าทำความดีได้ของดีหรือทำดีแล้วได้ผลประโยชน์หรือได้อามิตรที่ตนชอบใจเมื่อปัญหามีอยู่เช่นนี้จึงควรศึกษากันให้ชัดเจนจุดสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาคือความสับสนเกี่ยวกับขอบเขตที่แยกต่างหากจากกันและที่สัมพันธ์กันระหว่างกรรมนิยามกับสมมตินิยาม เพื่อความแจ่มแจ้งในเรื่องนี้เบื้องแรกขอให้พิจารณาการให้ผลของกรรมโดยแบ่งเป็นสี่ระดับคือระดับที่หนึ่งระดับภายในจิตใจว่ากรรมทำให้เกิดผลภายในจิตใจมีการสั่งสมคุณสมบัติคือกุศลธรรมและอกุศลธรรมคุณภาพและสมรรถภาพของจิตมีอิทธิพลปรุงแต่งความรู้สึกนึกคิด ความโน้มเอียงความนิยมชมชอบและความสุขความทุกข์เป็นต้นอย่างไรบ้างการให้ผลของกรรมระดับที่สองระดับบุคลิกภาพว่ากรรมทำให้เกิดผลในด้านการสร้างเสริมนิสัยปรุงแต่งลักษณะความประพฤติการแสดงออกท่าทีการวางตนปรับตัวอาการตอบสนอง ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนอื่นๆและต่อสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมทั่วทั่วไปอย่างไรบ้างการให้ผลระดับนี้ต่อเนื่องออกมาจากระดับที่หนึ่งนั่นเองและมีขอบเขตคาบเกี่ยวกันแต่แยกพิจารณาเพื่อให้มองเห็นแง่มุมของการให้ผลชัดเจนยิ่งขึ้นการให้ผลของกรรมระดับที่3ระดับวิถีชีวิตของบุคคล ว่ากรรมชักนำความเป็นไปในชีวิตของบุคคลทำให้เขาได้รับประสบการณ์ที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาประสบผลตอบสนองจากภายนอกพบความเสื่อมความเจริญความล้มเหลวความสำเร็จลาบยศสุขสันเสริญและความสูญเสียต่างๆที่ตรงข้ามซึ่งรวมเรียกว่าโลกกรรม ท, ทั้งหลายอย่างไรบ้างผลระดับนี้ อาจแยกมองได้สองด้านคือด้านที่ 1. ผลสนองจากปัจจัยด้านอื่นๆของสภาพแวดล้อมที่นอกจากคนด้านที่ 2. ผลสนองจากปัจจัยด้านบุคคลอื่นและสังคมการให้ผลของกรรมระดับที่ 4. ระดับสังคมว่ากรรมที่บุคคลและคนทั้งหลายกระทำมีผลต่อความเป็นไปของสังคมอย่างไรบ้างเช่น ทำให้เกิดความเสื่อมความเจริญความร่มเย็นเป็นสุขความทุกข์ยากเดือดร้อนร่วมกันของมนุษย์ทั้งหลายรวมทั้งผลจากการที่มนุษย์กระทำต่อสภาพแวดล้อมอื่นๆแล้วย้อนกลับมาหาตัวมนุษย์เองจะเห็นได้ชัดว่าผลในระดับที่หนึ่งและ2คือผลภายในจิตใจและบุคลิกภาพเป็นขอบเขตที่กรรมนิยามเป็นใหญ่ระดับที่3คือระดับวิถีชีวิตของบุคคล เป็นขอบเขตที่กรรมนิยามกับสมมตินิยามเข้ามาสัมพันธ์กันและเป็นจุดที่มักเกิดความสับสนก่อให้เกิดปัญหาซึ่งควนพิจารณาในที่นี้ส่วนระดับที่สี่คือระดับสังคมแม้จะเป็นเรื่องสำคัญแต่ก็อยู่นอกขอบเขตของการพิจารณาในหัวข้อนี้คนทั่วไปเมื่อมองดูผลของกรรมที่เกิดแก่ตนหรือเพ่งจ้องติดตามดูผู้อื่นว่า ใครทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจริงหรือไม่อย่างไรมักมองดูแต่ผลในระดับที่สมคือความเป็นไปในชีวิตส่วนที่ได้รับผลตอบสนองจากภายนอกเท่านั้นทำให้มองข้ามผลในระดับที่หนึ่งและสองคือผลภายในจิตใจและบุคลิกภาพไปเสียทั้งที่ผลสองระดับต้นนั้นแหละมีความสำคัญอย่างยิ่งสำคัญทั้งในแง่เฉพาะของมันเองเช่นสุขทุกข์ในใจ ความเข้มแข็งอ่อนแอภายในความพร้อมความแก่หรืออ่อนแห่งอินทรีย์เป็นต้นและสำคัญทั้งในแง่เป็นที่มาแหล่งใหญ่ของผลในระดับที่สามด้วยขยายความว่าผลในระดับที่สามนั้นส่วนที่เป็นขอบเขตของกรรมนิยามก็ต่อเนื่องมาจากผลในระดับที่หนึ่งและสองนั่นเองเช่นสภาพจิตใจของบุคคลผู้นั้นเองคือความสนใจความนิยมชม ช, มชอบความโน้มเอียง แนวทางสแสวงสุขหรือระบายทุกภายในของเขาซึ่งเป็นผลของกรรมในระดับที่หนึ่งก็จะชักนําให้เขามองสิ่งนั้นเรื่องนั้นในงแง่นั้นๆนําเขาเข้าไปหาสถานการณ์นั้นๆทําการตอบสนองอย่างนั้นอย่างนั้นจะทําหรือไม่ทําสิ่งนั้นสิ่งนั้นทําให้เขาดําเนินตามวิถีชีวิตอย่างนั้นอย่างนั้นให้ได้พบประสบการณ์หรือประสบผลอย่างนั้นอย่างนั้นและให้มีความรู้สึกหรือท่าทีต่อสิ่งที่ประสบอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นต้น เฉพาะอย่างยิ่งจะทำให้เกิดผลในระดับที่สองซึ่งก็ช่วยเสริมผลในระดับที่หนึ่งในการก่อผลระดับที่สามอย่างที่กล่าวมาแล้วนั่นเองทั้งนี้รวมทั้งการที่ว่าเมื่อเขาจะทำการใดๆเขาจะทำสิ่งนั้นๆตามแนวไหนลักษณะใดด้วยอาการใดจะทำไปตลอดไหมพบข้อขัดข้องอย่างไหนจะยอมอย่างไหนจะย่าต่อไปจะทาสาเร็จหรือไม่ จะอย่าประนีตยิ่งหรือย่อนอย่างไรตลอดถึงว่าตัวเขาจะปรากฏเป็นภาพในความรู้สึกนึกคิดของผู้อื่นอย่างไรอันจะมีผลย้อนกลับมาหาตัวเขาเองอีกในรูปของความช่วยเหลือร่วมมือหรือขัดแย้งปฏิเสธเป็นต้นอันเป็นส่วนที่บุคลิกภาพของเขาชักนําคนอื่นให้ช่วยพาตัวเขาไปสู่ผลสนองที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจทั้งนี้ ม่ได้ปฏิเสธองค์ประกอบด้านอื่นๆโดยเฉพาะปัจจัยแวดล้อมทางสังคมที่จะมามีปฏิกิริยาตอบโต้กันและมีอิทธิพลต่อเขาโดยอาศัยกรรมนิยามนี้เพียงแต่ว่าในที่นี้มุ่งเน้นการมองกรรมนิยามจากด้านภายในออกมาอย่างเดียวก่อนส่วนการมองจากด้านนอกเข้าไปจะเห็นได้ในหลักปรตโตโคสะและกัลยาณมิตรที่จะกล่าวข้างหน้าเป็นต้น ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรรมนิยามตามที่กล่าวมานี้ม่ใช่มีประโยชน์เฉพาะในด้านการแก้ไขปรับปรุงตนในการประกอบกรรมของบุคคลเองเท่านั้นแต่มีประโยชน์ในการที่คนอื่นหรือสังคมจะช่วยเหลือบุคคลให้โน้มน้อมไปในทางแห่งกุศลกรรมด้วยการจัดสรรอํานวยสภาพแวดล้อมและเครื่องจักจูงที่ดีงามตามหลักปฏิรูปรเทศวาะคืออยู่ในถิ่นที่ดีและ กัญยาณมิตตตาคือความมีกัญยาณมิตรหรือสัพปริสูปัตสยะคือสมาคมกับสัตบุรุษอีกด้วยในหัวข้อก่อนได้กล่าวถึงการก่อผลแปรก ร, รมในระดับที่หนึ่งคือภายในจิตใจไว้พอเป็นเขาแล้วส่วนการก่อผลในระดับที่สองคือระดับบุคลิกภาพก็ต่อเนื่องจากระดับที่หนึ่งนั้นเอง และได้กล่าวถึงความหมายคร่าวๆไว้แล้วทั้งสองระดับนั้นเกี่ยวโยงถึงผลในระดับที่สมด้วยแต่ไม่ใช่ข้อพิจารณาโดยตรงณที่นี้จึงขอผ่านไปผลกรรมในระดับที่สมคือความเป็นไปแห่งวิถีชีวิตพร้อมด้วยผลตอบสนองต่างๆนั้นว่าที่จริงก็เป็นเรื่องของกรรมมิยามนั่นแหละและส่วนมากก็สืบเนื่องมาจากผลในระดับที่หนึ่งและสองเช่น ถ้าคนผู้หนึ่งมีใจรักงานทำงานสุจริตด้วยความขยันหมั่นเพียรจัดการงานได้ดีเขาก็น่าจะได้รับผลงานและผลตอบแทนดีอย่างน้อยดีกว่าคนที่เกียจคร้านหรือทำงานไม่สุจริตข้าราชการที่ซื่อสัตย์สุจริตมีความสามารถตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการบังเกิดผลดีก็น่าที่จะเจริญก้าวหน้าในราชการ อย่างน้อยดีกว่าค่าราชการที่ไม่สามารถและไม่เข้มแข็งในหน้าที่แต่บางทีผลหาเกิดเช่นนั้นไม่ทั้งนี้เพราะผลในระดับที่สมไม่ใช่เกิดจากกรรมนิยามอย่างเดียวล้วนหากแต่มีปัจจัยด้านนิยามอื่ น, นๆเฉพาะอย่างยิ่งสมมตินิยามเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในกรณีอย่างนี้ถ้ามองดูแต่กรรมนิยามอย่างเดียวไม่มองปัจจัยด้านอื่นให้ครบถ้วน และไม่รู้จักแยกขอบเขตความสัมพันธ์ระหว่างนิยามต่างๆก็จะเกิดความสับสนแล้วคำกล่าวที่ว่าทำดีได้ชั่วทำชั่วได้ดีก็ติดตามมาถ้ากรรมนิยามทำงานลาพังอย่างเดียวก็ย่อมไม่มีปัญหาผลก็เกิดตรงตามกรรมนั้นตัวอย่างเช่นขยันอ่านหนังสือเรียนหยิบหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาตั้งใจอ่านก็อ่านจบได้ความรู้ แต่บางคราวร่างกายอ่อนเพลียเกินไปหรือปวดศรีรษะหรืออากาศร้อนเกินไปก็อาจอ่านไม่จบหรืออ่านไม่รู้เรื่องหรือเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นในระหว่างการอ่านก็ต้องหยุดชะงักลงดังนี้เป็นต้นอย่างไรก็ดีพึงตระหนักแน่ใจได้ว่าถึงอย่างไรก็ตามสำหรับมนุษย์กรรมมนิยามก็ยังคงเป็นแกนกลางชี้นาวิถีชีวิต หรือเป็นปัจจัยตัวเอกที่กำหนดการได้รับผลสนองดีร้ายต่างๆในชีวิตอยู่อย่างแน่นอนสำหรับผู้ที่รู้สึกผิดหวังในตนเองหรือมองเห็นใครอื่นก็ตามว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีนั้นแม้ยังไม่ได้ตรวจสอบเหตุปัจจัยในด้านต่างๆให้ชัดเจนเลยก็อาจลองมองดูอย่างง่ายๆก่อนว่านี่ถ้าเราไม่ได้ทากรรมดีนั้นไว้คงจะแย่ยิ่งกว่านี้นั่น ถ้าเขาไม่ได้ทำดีไว้บ้างเขาคงตกหนักยิ่งกว่านั้นอีกถ้ามองอย่างนี้บางทีจะเริ่มเกิดความเข้าใจมองเห็นอะไรอะไรค่อยๆชัดมากขึ้นและตระหนักว่าถึงอย่างไรกรรมที่ทำไว้ก็ไม่ไร้ผลเสีเลยและอาจสืบลึกลงไปจนถึงผลภายในจิตใจและผลต่อบุคลิกภาพอย่างที่กล่าวแล้วด้วยความเข้าใจสับสนเกี่ยวกับการให้ผลของกรรม <K an> ขอให้มาดูและแก้ไขความเข้าใจกันตั้งต้นแต่ข้อความแสดงหลักทีเดียวคำกล่าวที่ชาวไทยนิยมพูดว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั้นมาจากพุทธศาสนสุภาษิตว่า ด, ดังนี้ยาที่สังวะปะเตภีชังปาที่สังละพะเตพลังกัลยาณการีกัลยาณังปาปการีจะปาปกังปแปลว่า วานพืชเช่นใดได้ผลเช่นนั้นผู้ทำดีได้ดีผู้ทำชั่วได้ชั่วคาถานี้เป็นพุทธพจน์ในรูปของอิสิภาสิคือคำกล่าวของฤาษีและโพธิสัตว์ตวภาสิคือคำกล่าวของพระโพธิสัตว์ซึ่งพระพุทธเจ้านำมาตรัสเล่าท่านรวบรวมไว้ในพระไตรปิฎก นับว่าเป็นข้อความที่แสดงหลักกรรมของพระพุทธศาสนาได้อย่างกระทันรัดชัดเจนพึงสังเกตว่าความท่อนแรกที่เป็นอุปมาณั้นท่านนำเอาผีจัิยามมาเป็นเครื่องเปรียบเทียบเพียงแต่พิจารณาข้ออุปมาณนี้ให้ดีก็จะแยกความสับสนระหว่างกรรมนิยามกับสมมตินิยามได้ทันทีกล่าวคือข้อความว่าวานพืชเช่นใด ได้ผลเช่นนั้นแสดงกฎธรรมชาติฝ่ายพืชพันธุ์ว่าปลูกมะขามได้มะขามปลูกองุ่นได้องุ่นปลูกผักกาดได้ผักกาดเป็นต้นไม่ได้แสดงผลในทางสมมตินิยามแต่ประการใดว่าปลูกมะขามแล้วจะได้เงินหรือปลูกผักแล้วจะรวยเป็นต้นซึ่งเป็นคนละขั้นตอนกันพีเชนิยามกับสมมตินิยาม จะมาสัมพันธ์กันก็ในตอนที่ว่าปลูกองุ่นได้องุ่นแล้วพอดีถึงคราวที่ตลาดต้องการอางุ่นมากจึงขายได้ราคาดีและปีนั้นจึงรวยแต่อีกคราวปลูกแตงโมได้แตงโมได้งอกงามได้ผลมากด้วยแต่ปีนั้นคนปลูกแตงโมกันมากผลดกทั่วไปจนมีเกินความต้องการของตลาดทําให้ราคาตกปีนั้นขายขาดทุน ต้องทิ้งเปล่าเสียมากมายนอกจากปัจจัยด้านความต้องการของตลาดแล้วอาจมีปัจจัยอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องอีกเช่นเรื่องคนกลางการกดราคาเป็นต้นแต่สาระสำคัญก็คือจะเห็นความแน่นอนของพีชนยามคงตัวและเห็นขอบเขตของพีชนิยามกับสมมตินิยามทั้งที่แยกต่างหากจากกันและสัมพันธ์กันได้อย่างชัดเจน อุปมาข้างต้นนี้ฉันใดอุปไหม่ก็ชันนั้นคนมักมองกรรมนิยามกับสมมติยามสับสนกันโดยพูดว่าทำดีได้ดีในความหมายว่าทำดีแล้วรวยทำความดีแล้วได้เลื่อนตำแหน่งเป็นต้นซึ่งก็น่าจะเป็นเช่นนั้นแต่บางทีก็ไม่เป็นเหมือนกับพูดว่าปลูกมะม่วงได้เงินดีปลูกมะพร้าวทาให้รวย เขาปลูกน้อยนาจึงยากจนซึ่งอาจจะจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้แต่ความจริงก็คือเป็นการพูดข้ามขั้นตอนไม่แสดงความจริงตลอดสายอาจใช้ได้สำหรับภาษาพูดพอรู้กันแต่ถ้าจะเอาความจริงแท้ต้องแสดงเหตุปัจจัยซอยออกไปโดยว่ากันเป็นลำดับให้ละเอียด